เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยอัญญมัญญะปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุโดยอัญญมัญญะปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะ ขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันสามและหาไทยวัตถุโดยอัญญมัญญาปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและหาไทยวัตถุโดยอัญญมัญญปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอัญญามัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่มีทั้งวิตกและวิจาร เป็นปัจจัยแก่วิตกและหทัยวัตถุโดยอัญญมัญญปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์โดยอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและวิตกโดยอัญญมัญญปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและวิตกโดยอัญญมัญญปัจจัยในปฏิสนธิขณะ สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณโดยอัญญมัญญะปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นปัจจัยแก่ขันสามวิตกและหาไทยวัตถุโดยอัญญามัญญะปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองวิตกและหาไทยวัตถุ โดยอัญญามัญญปัจจัยเกสสภาวธรรมที่ไม่ iterate, มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอัญญามัญญปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยอัญญามัญญปัจจัยในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร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 ในปฏิสนธ่ qui, ขณะขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่วิจารณและหาไทยวัตถุโดยอัญญมัญญะปัจจัยในปฏิสนที่ขณะวิตกเป็นปัจจัยแก่หาไทยวัตถุโดยอัญญามัญญะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิ qui, ขณะวิตก เป็นปัจจัยแก่ขันที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และหทายวัตถุโดยอัญญมัญญะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอัญญมัญญะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสามและวิจารณ์โดยอัญญมัญญปัจจัย ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและวิจารณโดยอัญญมัญญะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสามวิจารณ์และหาไทยวัตถุโดยอัญญามัญญะปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองวิจารณ์และหาไทยวัตถุโดยอัญญามัญญะปัจจัยเกสสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอัญญามัญญะปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาโดยอัญญามัญญะปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยอัญญามัญญะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและหาทเยวัตุโดยอัญญมัญญะปัจจัย ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและหาทายวัตุโดยอัญญามัญญะปัจจัยขันเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตุหาทายวัตุเป็นปจัจจัยแก่ขันวิจญาณ์าป 1, เป็นปจัจจัยแก่หาทายวัตุหาทายวัตุเป็นปัจจัยแก่วิจารณมหาภูตรูปหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปสามละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาสาศัยสัตยพรม มหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอัญญามัญญะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอัญญามัญญปัจจัยได้แก่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 สภาวะธรรมที่ไม the ่มีทั้งวิตกและวิจารณเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอัญญามัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและหาทายวัตถุโดยอัญญมัญญปัจจัยในปฏิสนธิขณะหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิจารณ์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 โดยอัญญามัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารและหทัยยวัตุเป็นปัจจัยแก่วิตกโดยอัญญมัญญะปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอัญญมัญญะปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณและหทัยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ขันสามและวิตกโดยอัญญามัญญปัจจัยขันสองและหทายวัตุเป็นปัจจัยแก่ขันสองและวิตกโดยอัญญามัญญะปัจจัยเกสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอัญญามัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะวิตกและหทัยวัตุ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 ในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารวิจารและหัตถายุวทุเป็นปัจจัยแก่ขันสามขันสองวิจารและหัตถายุวทุเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอัญญามัญญปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอัญญามัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะ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 ในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสามและหาทายวัตถุโดยอัญญามัญญะปัจจัยขันสองและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสองและหาทายวัตถุโดยอัญญมัญญปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและหทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามและวิจารณโดยอัญญามัญญะปัจจัยขันสองและหาทายวัตถุ เป็นปัจจัยแก well well well? ่ข well yeah. ันสองและวิจารณโดยอัญญะมัญญะปัจจัยเกสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอัญญะมัญญะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอัญญะมัญญะปัจจัยขันสองและวิตกเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอัญญะมัญญะปัจจัย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 และที่ไม่มีทังททงททท้งวิตกวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ <ốc speed S 1> มีทั้งวิตกและวิจารณโดยอัญญมัญญะปัจจัยได้แก่ในปฏิสนที่ขณะขันหนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณ์วิตกและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอัญญามัญญะปัจจัยขันสองวิตกและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอัญญามัญญะปัจจัยนิจยะปัจใจเก้าสิบปด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 สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารโดยนิสยปัจจัยได้แก่ขันธ์หน э ึ่งที priority. ่ไ so ม่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทฐานรูปโดยนิสยปัจจัยขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและจิตตะสมุทฐานรูปโดยนิสยปัจจัยวิจารเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยนิสยปัจจัย ในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่ขันสามนักตาตารูปโดยนิสยปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองสำหรับเหล่าอสอัญญาสัตตรพรมมหาภูตรูปหนึ่งจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขววิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารและวิจารโดยนิสยปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยนิสยปัจจัยได้แก่หาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยนิสยปัจจัยในปฏิสนธิขณะหาทายวัตถุสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ปรปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยนิสยปัจจัยได้แก่วิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณโดยนิสยาปจจัยหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และวิตกโดยนิสยาปจจัยในปฏิสนธิขณะวิจารณ์สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณโดยนิสยาปจจัยได้แก่วิจารเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 ในปฏิสนธิขณะหาทายวัตถุ99สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยนิสยปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่มีทั้งวิตกวิจารณและหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยนิสยปัจจัยพึงแสดงทั้งปวัติการและปฏิสนธิปาน สภาวธรรมที Pop ่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยนิสยปัจจัยได้แก่คันที่มีท well ั Ο ้งวิตกวิจารณและหาไทยวัตถุเป็นป <up> ัจจัยแห่วิตกในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยนิสยปัจจัยได้แก่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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยนิสยปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และวิจาร์เป็นปัจจัยแก่ขันสามขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์และหาเยวถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจาร เป็นปัจจัยแฉ่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยนิสยปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและวิจารณ์เป็นปัจจัยแฉ่จิตตสมุทฐานรูปโดยนิสยปัจจัยขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปวิตกและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและหาทายวัตถุ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 โดยนิสยปัจจัยขันสองและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปโดยนิสยปัจจัยขันหนึ่งที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามและวิจารณ์ขันสองและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองและวิจารณ์โดยนิสยปัจจัยในปฏิสนธิขณะร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 เพงขยายทั้งสองวาระให้พิจารณาอุปนิจญาปัจจัยจรอยอ้อสภาวธรรมที่มีทั้งวิตรและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตรและวิจารณ์โดยอุปนิจญาปัจจัยจมีสามอย่าง คืออารัมณูปนนานิจยะอนันตโรูปานิจยะและปะกฏโตปานิจยะปะกะตูตปานิจยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์แล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบโสถทำฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำมัจทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n ะเถือทิฏฐิอาศัยศีลที่มีทั้งวิตกและวิจารสุตะ จาคะปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฐิความปรารถนาแล้วให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาโอโบสดทำฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคทำสมาบัติฆ่าสัตว์ทำลายสงศัษธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณศีลสุตะจาระปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฐิความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารสีนสุตะจาคะปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมณูปาิสยอนันตารูปาณิสยาและปกตูปาิสย พรกระตูปานิจยะได้แก่ บ, be บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์แล้วทำฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ให้เกิดขึ้นทำมัรรมสมาบัตอาศัยศีลที่มีทั WAN ้งวิตกและวิจารณความปรารถนาแล้วทำฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ให้เกิดขึ้นทำมัรรมสมาบัตศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ ศีลสุตตะจาคะบัญญาและวิตกโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจาร์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยะปะกรตูปานิสยะปะกรตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์แล้วทำฌานที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เกิดขึ้นทรมัจทำอภิญญา ทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ความปรารถนาแล้วทำฌานที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เกิดขึ้นธรมรมมรธรรมอภิญญาธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ศีลสุตะจาระปัญญาและวิจารณสุขทางกายทุกข์ทาง ก, กายโดยอุปาณิสยปัจจัย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 โดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสมอย่างคืออารมณูปาณิสยาอันันตารูปปาณิสยาและปะกระโตปาณิสยาปะกระโตปาณิสยาได้แก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจาร ความปรารถนาและวิตกโดยอุปาณิสยปัจจัยร้อยสสภาวาธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวาธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณู ป, ปาณิสยาอนาตารูปาณิสยะและปะการตูปาณิสยะปะการตูปาณิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารแล้วทำฌาน ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ให้เกิดขึ้นธรรมมัจธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์สุตะจาคะปัญญาวิตกแล้วทำฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณให้เกิดขึ้นธรรมมัจธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณศีลสุตะจาคะปัญญาและวิตกเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 ทำฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาทำมัคทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n ะเถอทิฐิอาศัยศีลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารสุตะจาพระปัญญาวิตกแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำมักให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสง์ ศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณศีลสุตะจาระพัญญาละวิตกเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคื yourself, ออนันตารูปานิสยะและปกระโตปานิสยะปะกระโตปานิสยะได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์แล้วทำฌานที Costa, הח, ่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เกิดขึ้นธรรมมัคธรรมปิญญาธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์สุตะจาคะปัญญาวิตกแล้วธทำฌานที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารให้เกิดขึ้นธรรมมัคธรรมปิญญาธรรมสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ศีลสุตตะจาคะปัญญาและวิตก เป็นปัจจัยแก่ศัทธาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณศีล ส, สุตตะจคะปัญญารวิจารณ์สุขทางกายทุกทางกายโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคือนอนันตารูปานิสยะและปะกะทูปนิสยะปะกะตูปาณิสยาได้แก่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 อนันตโรปนิสยะและปกะโตปนิสยาปะกะโตปาณิสยะได้แก่ศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ศีลส hey, ุตยาคะปัญญาและวิตกเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ความปรารถนาและวิตกโดยอุปานิสยาปัจจัยร้อสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอุปานิสยาปัจจัย มีสามอย่างเพื่ออารมณูปานิสยะอนันตารูปานิสยะและปักรตูปานิสยะปักรตูปานิสยะได้แก่ ع, บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณและธรรมชาตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เกิดขึ้นธรรมมักธรรมอิญญาธรรมสมาบัติที่เกิดขึ้นอาศัยศีลที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณสุตะจาระปัญญาวิจารณ์สุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะ เสนาสนะแล้วทำฌานที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณให้เกิดขึ้นทำมาัครำอภิญญาทำสมาบัตให้เกิดขึ้นศรัทธาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณศรีลสุตะจาคะปัญญาวิจารณ์สุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะเศนาสนะเป็นปันจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ศีลสุตะจาคะปัญญาวิจารณ์สุขทางกายและทุกทางกายโดยอุปาณิสยปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปาณิสยาอันันตารูปานิสยาและปะกะตูปาณิสยะปะกะูปาณิสยะได้แก่บุคคลอาใจศรัทธาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์แล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาทรมัจ ทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมา n ะเธอทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่มีทั้งวิตรและวิจารสุตะจาระปัญญาวิจารสุขทางกายทุกทางกายอูตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาโอุโบสดทำฌานที่มีทั้งวิตรและวิจารให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาธรรมมัจทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสง์ ศรัทธาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณเศนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ศีลความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออาราเมนูปาณิสยอาอนาตารูปาณิสยและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยาได้แก่ บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์แล้วทำฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาทำมัจทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเสนาสนะแล้วทำฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาทำมัจทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัทธาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ ศีสุตตะจาคะปัญญาและวิตกโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสมอย่างคืออารมณูปาณิสยาอนันตารูปาณิสยะและปะกะตูปาณิสยะปะกะตูปาณิสยะได้แก่ศรัทธาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารเศนาชนะ เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณศีลสุตะจาระปัญญาและวิจารณ์โดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสมอย่างคืออารมณูปาณิสยาอนันตะรูปานิสยะและปะกะตูปานิสยะปะกะตูปาณิสยะได้แก่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 และปะกระโตปานิจยะปะกระโตปานิจยะได้แก่ศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ศีลสุตะจาระปัญญาและวิจารเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ความปรารถนาโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่าง คื execution. ออารมณูปานิสยาอ น, นันตารูป like. านิสยาและปกระตูปานิสยะปะกรตูปานิสยะได้แก่ศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ศีลสุตะจาระปัญญาและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณศีลสุตะจาระปัญญาและวิตกโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปปาณิสยะและปกระตูปนิสยะปากระตูปปาณิสยะได้แก่สัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณศีล ส, สุตะจาระปัญญาและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัทธาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ศีนสุตะจาระปัญญาและวิจารณ์สุขทางกายทุกทางกายโดยอุปาณิสยาปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์และที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารณ์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยะและปกคะตูปนิสยะปะคะตูปานิสยะได้แก่สัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณศีลสุตะจาระพัญญาและวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์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 ศีลสุตะจาคะปัญญาละวิจารเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารศีลสุตะจาคะปัญญาราคาโทสะโมหะมานะทิฐิความปรารถนาและวิตกโดยอุปาณิสยปัจจัยร้อหสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสมอย่างเพื่ออรมณูปาณิสยะ อนันตโรปานิสยาและปกระโตปานิสย ะ, ะปกระโตปา น, นิสยะได้แก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณศีล ส, สุตะจักะปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาและวิตกเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ศีลความปรารถนาโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสมอย่างคืออรมณูปาณิสยอันันตรูปปาณิสยาและปกระโตปาณิสยาปกระโตปาณิสยาได้แก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณศีลความปรารถนาและวิตกเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณศีลสุตตะจาระปัญญาและวิตกโดยอุปาณิสยปัจจัย สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์โดยอุปาณิสยปัจจัยมี2อย่างคืออนันตารูปปาณิสยาและปะกะตูปาปาณิสยะปะกะตูปปาณิสยะได้แก่ ع. สัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ศีลสุตะจาระปัญญาความปรารถนาและวิตกเป็นป er ัจจัยแก่ศสัทธาที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ ศีลสุตะจาคะปัญญารวิจารสุขทางกายทุกทางกายโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่มีทั ladder, ้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปปาณิสยะและปะกะทูปนิสยาปะกะูปาณิสยะได้แก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจาร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 อ น, นันตารูปานิสยะและปะก ร, ปะะประกตรูปานิสยะปะกระตูปานิสยะได้แก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ศีลสุตจาระปัญญาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาและวิตกเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ความปรารถนาและวิตกโดยอุปนิสยาปัจจัย